พวกเรา <c oughs> กําลังอยู่ในทางกลางของความเป็นศีลเป็นธรรมแบบธรรมชาติอันนั้นคือความสงบความสงบตามป่าตามเขาเป็นความสงบที่เป็นศีลเป็นธรรมแบบธรรมชาติ อันนี้เป็นสมบัติเป็นวิหาระธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเธจา้าแต่เรื่องจิตใจของพวกเรายัางเป็นสามัญชนบางครั้งบางขราวเมื่อก็ น, นึกรู้ตัวเออเรามี มีหน้าที่มาฝึกมาปฏิบัติมาเรียนรู้สิ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางครั้งบางข่าวมันกระเผอวิธีจิตของสามมันจนเรื่องจีเดนเรื่องตัณหานะ่มันชิดขึ้นมาวาราจิตทั้งสองระบบเนี่ย <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ที่พวกเราท่านฝึกท่านปฏิบัติจเจริญแล้วในศีลในธรรมท่านจึงมีนำมาเตือนมาบอกมาสอนพวกเราว่าให้มีสติให้ตั้งใจตั้งสติ มารู้ตัววันหน้าที่ของพวกเรากำลังอยู่ในท่ามกลางกองความสงบตามถ้าเงื้อผาป่าเขาลุกกมูลลมไม้ทำเอกส่วนหนึ่งที่ท่านนำให้นำมาฝึกฉันทะธรรม คือให้มีความพอใจมีความยินดีในสถานที่มีความสมงบเงียบความสํานึกภายในจิตใจของพวกเรา่นี่ยถ้าเผื่อมีะติต ร, ร, รู้รู้ตัวอยู่ฉันทธรรมนี่มันจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมีความยินดีมีความพอใจ พอใจนแต่ฐานที่มีความสงบงบเงียบวิเวฟเป็นอิสระถ้ามีความสำนึกในความรู้สึกทางจิตใจอย่างที่ว่านี่อันนี้แหละสัมมาทิฏฐิ <c oughs> ความคิดความเห็นของพวกเรามันถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พอมีความฉันทะทมยินดีในความเป็นศิลป์เป็นธรรมความสงบงบเงียบแบบธรรมชาติถ้ารู้ตัวบางครั้งบางข่าวสติความระลิก <c oughs> ฉันทะทำเหมือนกันแต่มันยินดีในกระแสของกิเลสยินดีในกระแสของตัณหา มันเป็นกฎธรรมชาติสามัญชนจิตปุถุชนมันยินดีในความเป็นอยู่บีอยู่ชีวิตท่ามกลางของชาวโลกของของสังคมซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพื่อหลบเดีจากเรื่องกิเลสเสื่องตัณหาพอกิเลสเป็นเหตุเห้เกิดทุกข์ ตัณหาขอบเขตของตัณหามันไม่มีในเรื่องความเป็นทุกข์ว่าจะจบเมื่อไหร่เฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่ที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เห็นเรื่องกิเลสโลภโกรนหลงนี่เป็นภัยอย่า ไปใช้ทาความฉันทะรมยินดีกับกระแสในสิ่งที่มันเป็นภัยรู้ตัวอย่างนี้แหละจึว่ <c oughs> วารู้สึกตัวเองเข้าใจหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเรานำมาใช้เข้าใจเรื่องของศรรีล <c oughs> ที่คุ้มครองปกป้องเราที่มีหน้าที่เป็นนักบวชสมณะให้เป็นผู้ยินดีในความสงบบรรพเซศให้เห็นภัยในสิ่งที่มันเป็นโทษคือกิเลสโลภโกรกง ฉะนั้นวิถีจิตของพวกเราที่มีกระแสเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาที่มันเชิดขึ้นปุ่งขึ้นนั่นนะอันนี้เป็นเปนเรื่องปัจจิตังรู้ใดจะเพาะตัวเองถ้าท่านผู้ใดมีความสํานืกรู้ตัวหลบเด็กผีกตัวกับอารมณ์ของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้เห็นสิ่งอ่านี้เป็นทุกข์เห็นสิ่งอ่านี้เป็นโทษอันนั้นละเป็นผู้มีสติ อยู่ในหน้าที่ของบันประชเทเห็นภัยในโทษถ้าแบบยังไม่มีเจ ต, ติยังไม่มีศีลเป็นหลักใจยังไม่มีธรรมเป็นหลักใจก็อย่างว่านม่ได้กิเลสตัณหาเนี่ยมันเอาความเป็นธรรมฉันทะธรรมยินดีพอใจเกิดขึ้นตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัส ที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่เป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์พวกเราอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมามันมีบ่อเกิดบ่อเกิดของกิเลสบ่อเกิดของตัณหาท่านเรียกว่าลัทธิอัยตนะ หลักธรรมอายตนะเป็นที่เกิดเป็นบ่อกเกิดของกิเลสของตันหาคือตาเป็นที่เกิดของออาารองู er ทปาารที่มันเป็นอาหารของกิเลสตันหานั่นะเสียงที่เป็นอาหารของกิเลสตันหานนละเกล็ดรสสัมผัสที่มันเป็นอาหารของกิเลสตันหานั่นะ อย่างรูปเนะ่เข้าทางตาเสียงมันเข้าทางหูเหล่านี้เป็นต้นแต่อายตนะเป็นบ่อเกิดของอาหารของกิเลสของตัญหาฉะนันในพวกเราทุกท่านให้เข้าใจ <c oughs> ที่ไปที่มาหน้าที่ของพวกเราเป็นบรรปะชิต ให้เห็นภัยในโทษแด้เห็นที่เกิดเห็นที่ไปที่มาของกิเลสตัณหาทำไมมันจึงมีกําลังไม่หยุดไม่หย่อนถ้าเผื่อพวกเราไม่รู้จักระมัดระวังที่เกิดที่มาของกิเลสอาหารของกิเลสตัณหาแล้วสิ่งที่ร้อนที่สด ก็ร้อนอยู่ที่ใจพอลาจักขี่โทรจกขี่โมหะขีอันนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อ <c oughs> หน้าที่ของกรลวาดญาติโยมทีเนี่ยก็รู้จักลำมัดระวังรักษาตามหน้าที่ขอบเขตของ หน้าที่ของกรวาดญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือศีลห้าศีลแปดนั่นเองขอบเขตความถูกต้องให้มีความยินดีพอใจอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนั่นสำหรับของกรวาดญาติโยมชาวโลกก็ต้องมีความ สองบอบ อ, อ, อ, อ, อ, อุ่นตามฐานะตามชีวิตของเขาท่านเรียกว่ากามมาขนยินดีในกามมาขนยังพอมีบุญมีคนอยู่บุญคนตรงนี้คือให้รู้จักว่าความสุขความสบายที่มีอยู่ในความสำเนึกรู้สึกรู้สึกที่ไปที่มาของ ดวงกิจดวงใจรูปความดีความชั่วความสุขความสบายเป็นยังไงเรียนรู้จากกีวิตของความเป็นมนุษย์นี่เท่านั้นเช่นนั้นเอเรื่องยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นเป็นเรื่องหน้าที่ของกระวาสญาติโยมบาสกบาสิกาไม่อย่างนั้นแล้ว มันจะตกจากฐานะของความเป็นมนุษย์เข้าสู่ <c oughs> อบายยา <c oughs> พรมพบพรมหาความสุขความเจริญไม่ได้อันนั้นก็คือสัตว์เดรัจฉานเป็ดเป็ดในโกอเวเกตัสตอยู่ในฐานะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญเหมือนอย่างที่พวกเรารู้รรเห็นกันอยู่สัตว์เดรัจฉานมีนอยู่ทั่วโลก ในด้ำบนบกแล้วผลบากผลกรรมนี้แต่เรื่องวิถีจิตใจที่มองไม่เห็นอสุรกายเปรตผีสัตว์นรกพวกเราจะไปสงสัยอะไรทีอันนั้นมันเรื่องของใจเรื่องของใจก็ดูด้วยใจของพวกเรามีอยู่ในขนาะ น, นี้ มีตัวมีตนที่ไหนอะมันปากรแต่ความสุขความสบายนี่คือความดีเรียนรู้นอกจากนั้นความชั่วคือความทุกข์ไอ้ความทุกข์ก็ดีความสุขความสบายก็ดีมันเป็นตัวเป็นตนที่ไหนอมันมีอยู่ในความสำานึกความรู้สึกในภายดวงจิตดวงใจต่างหา จะนั้นเรื่องของกระวาดญาติยอมพ <c oughs> ระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรียนรู้ว่าความสุขความสบายเรียนรู้จากชีวิตของความเป็นมนุษย์นี่เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้เขาจะมีความสำนึกลักษณะดีอยู่เขาไม่รู้จักที่ไปที่มาความดีความสุขความสบายมันเกิดจากอะไรเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเกิดจากอะไร ไม่มีศาสตร์ในรานประเภทไหนที่จะรู้ที่ไปที่มาเรื่องนี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> ว่าภพภู ม, มิ น, นั้นเป็นภพภูมิอบายยภูมิที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักความเป็นมนุษย์เรียนรู้ดีรู้ชั่วรู้สุข ร, รู้ถูกสามารถที่รู้จักที่ไปที่มา ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์สอนมนุษย์คนเราถ้าเผื่อมารู้จักความสุขความสบายมันเกิดมาเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมเกิดมาเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยกฐานะจิตใจจ <c oughs> ุูิฐานะของความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์นี่ให้ยกด้วยกําลังของบุญของกุศลของศีลของธรรม เข้าสู่สวรรค์สมบัติจนถึงวิพานสมบัติจุดหมายปลายทางอันนี้ชีวิตของฆราวาสญาณโยมทุกชาติจันทร์วนะหน้าที่ของฆราวาสญาณโยมทุกชาติชั น, น, นทวนะแต่สําหรับนักบวชพวกเรา <c oughs> ขึ้นชื่อว่าอํานาจของกิเลส อำ น, นาจของตัณหาจะเป็นส่วนหนก่อตามพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นเป็นไผ่ทั้งนั้นโดยที่กลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วเหตุมันมาจากผลมันมาจากเหตุเหตุอันนี้ไปหาผลอันนั้น ขอนอนนั้นเกิดจากเหตุอันนี้อันนั้นรวมแล้วก็คือทุกทั้งหลายทั้งปวงหมดทุกทั้งธาตุทั้งขนันทั้งตั้งขันร่างกายทุกทั้งด้านจิตใจให้กำหนดรู เราฟังได้ว่าให้กำหนดดูทุกนั่นน่ะสัญชาตยานของจิตใจไม่ว่าแต่ชาวบ้านไม่ว่าแต่นักบวชสัญชาตยานนะขึ้นชื่อว่าทุกไม่มีใครต้องการแต่แล้วเรื่องรับผิดชอบพาว ภาะภาวะที่เกิดโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะเยอท ะ, ะยานอยากคีวิตของฆราวาดนั้นเมื่อดมอนตอะการอยู่ในจุดนั้นไม่เหมือนนักบวชพวกเราเราทันทั้งหลายมันที่พระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนพร ผลจะทุกมากทุกน้อยทุกกายทุกใจมันมาจากไหนมันมาจากเหตุภาษาธรรมเรื่องสมุไทยภาษาเราคือตัณหาตัณหาทั้งสาม <c oughs> ที่พวกเราได้ศึกษารเดียนยการมมัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาภาษาเรากามมตันหาคืออารมณ์เพศอารมณ์เพศในเป็นเหตุให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างไปสัมผัสตันหากับตันหาเพ้ตรงกันข้ามสัมผัส มนันเกิดเป็นโนบเป็นล่างมันเป็นกฎธรรมชาติชาตปิดถูกขาชาติความเกิดมันไม่ได้เกิดจากอันอื่นนะเกิดจากการมติหาอารมณ์เพศในเมื่อผู้หญิงผู้ชายสัมผัสกันมันเป็นกฎธรรมชาติ ในชาเตปีตุขายชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเผื่อเราไปดูเฉพาะรูปร่างก็ดูความเป็นทุกข์ชาติชาติชาติความเกิดเดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นรูปเป็นล่าง อายุผ่านวันเดือนปีมาถึงในขนาดนี้จะไม่มีวันไหนที่จะเว้นจากความทุกข์จากความเหนื่อยความเมื่อยความหิวทุกขะเวทนาเจ็บปวดจะมากจะน้อยไม่เคยเว้นแต่ะละวันแต่ะละวันแต่ะละวัน ขนาดที่ยังไม่ได้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะั้นเพียงแต่เป็นเครื่องบ่งบอกวิาชาติชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นให้มองถึงลักษณะของคำว่าทุกขเวทนา มองถึงชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์เราเกิดขึ้นมาจากที่ไหนอันนั้นคืนขอขันธมารด่าพวกเรานั่งสมาธิอยู่ที่ที่นั่งสมาธิอย่างที่นั่งอยู่แสลานี่ก้วงขนาดนี้ เราก็ยังมีความหดุดหงิดอยู่นั่งไม่ถึงชั่วอโมองสองชั่วอโมองก็ยังมีความหดุดหงิดอยู่มีความลำคามอยู่ในขณะที่ดวงจิต ด, ดวงใจดวงจิต ด, ด, ด, ด, ด, ดวงวิญญาณที่อาศัยรูปร่างอยู่ในครรภ์ของแม่ที่เนี่ยลองนึก อยู่ในจุดนั้นดูเฉพาชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์นะี่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้ให้พวกเรานำมาพิจนารณาเ น, ะ น, นี้ทุกคนเคยเห็นเมื่อเกิดขึ้นมาพอรู้จักภาวะเดียงสาแล้วนะั่นะเห็นอะไร เห็นผู้หญิงเขาตั้งท้องลองนึกสัญชาตญาณผู้หญิงตั้งท้องนั่นนะถามว่าอะไรอยู่ในนั้นท้องใหญ่องุ่งขึ้นมานะนะี่ะอะไรอยู่ในนั้น เราเลยเคยได้ผ่านตรงนั้นมาไหมถ้าตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆรู้แบบสมาธิปัญญารู้ตามความเป็นจริงทกในสถานที่ตรงนั้นนะ่ะใครจะต้องการใครจะปรารถนาอยากจะ กลับข้าไปอีกอหรือแบบมันยังเช็ดหยาบเช็ดชั่วเช็ดผูนหนาตาเมื่ออยู่ตามสัญญาแบบธรรมชาติฝึกความสำเนึกแก้ไขาความสำเนึกความรู้สึกของตัวเองดูจะอา้าเรียนรู้ตามความเป็นจริงสมมุติว่า ทองผู้หญิงทององุ้งนั่นแะรู้ว่าคนอยู่ในนั้นเอาคนคนนั้นออกมาเอาให้เราเข้าไปอยู่แทนใครจะเอามั่งเอใครจะเอามั่งรอกันตันรกรลกันตะน เป็นนรกขมหนึ่งปิดหูปิดตาทนทุกทรมานอาริยบทไม่ได้เคยได้เปียดเลยขนาดที่พวกเราพวกเรานั่งสมาธิฟังธรรมฟังธรรมนั่งสมาธิไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ขนาดนี้แหละ ฉะนั้น ช, ชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกเมื่อไหร่พวกเราจะย้อนย้อนย้อนย้อนย้ อ, อนใช้ความสำนึกสติอันชอบปัญญาอันชอบที่มีในใจ right, แล้วนึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานำมาใช้นะเอาปัญญาอันชอบของพระพุทธเจ้าเสริมสติอันชบอบปัญญา อันชอบของพวกเรานี่บวกปัญญาชอบสติอันชอบที่มีอยู่ในเราแล้วน่ะเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะ น, น้อรมรำลึกดูทำไมพวกเราไม่ได้นำมาคิดก็เพราะโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้เมิดมิดปิด หปูปิดตาปิดดวงจิตดวงใจของพวกเราอยู่ฉะนั้นการฟัง <c oughs> เป็นการเปิดประจุประตูใจการพินิจพิจารณาตั้งใจตั้งส ต, ติฟังแล้วค่ควรพิจารณาเนี่นนะเราพิจารณาตามธรรมชาติชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์ ทอนทุกทรมานอยู่ตรงนั้นไม่ใช่วันสองวันเกือบปีไม่เจรอญ น, นะที่นั่งจะลองนักที่นั่งของเราที่นอนของเราในคันของมานดาเนนะี่ะเป็นหลมโม้ดลมโคตรอยู่นั้นนะขังบนกันเทินศีรษะอยู่อะไรหรือคือกับเพราะอาหารอาหารใหม่อาหารเก่ากักเป็นที่ เรานั่งทับนอนทับตรงนั้นเด่นักเหลือตรงนั้นน่ะสะอาดนักเหลือตรงนั้นท้องของแม่น่ะพวกเราผ่านตรงนั้นมาทุกคนเมื่อไร่จะสํานึกเมื่อไหรจะดูทีนี้เมื่อไหรจะพิศใจละนาถ้าไม่ดูถ้าไม่พิศกิณา ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ความจริงอัะนะนั้นนี่วิชามันปิดไว้โมหะมันจะหลงอยู่นี่จยว่าไงสะอาดนักเลยท้องของแม่นั่นนะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองทั้งอะไรต่ออยู่อะไร เฮกไปที่ไหนเปลี่ยนอริยบทก็ไม่ได้พวกเรายังยันอุสาหอาศัยโมหะความหลงอววชาความไม่เปียดหูเปียดตาจะเป็นดันกเกิดในลักษณะอยู่ในลักษณะนั้นดีควรหรือเปล่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทุก ทั้งหลายทั้งปวงทั้งปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่กําหนดให้กําหนดรู้เมื่อกําหนดรู้อย่างนั้นอ่ะเป็นปัจจัยต่างความสํานึกความรู้สึกนันอ่ะมันกลัวมันจะดองกลัวมันไม่เอาแต่ชักตัวอย่างง่ายง่ายเอาคนคนนั้นออกมา ให้เราเข้าไปแทนใครต้องการอยากจะเข้าไปแทนเอาอันนี้มันมาจากไหนอนนี้เขาไปเป็นหลงไปนั่งไปนอนอยู่ในนัน้นนะกามะตัญหาอารมเพศกามะตัญหาอารมเพศเนี่ยพระพุทธเจ้าจึง สอนให้ละตรงนี้การมัตรหาอารมณ์เพศอยู่ที่ไหนจริเนี่ยมันอยู่ที่ไหนที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันไม่ใช่เกิดอยู่ที่อื่นมันเกิดอยู่ที่ใจการมัตนาอารมณ์เพศเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายมันเกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นตรงใจที่ใจมันนึกมันคิดขึ้นมานะนั่นการมัตรหาอารมณ์เพศเป็นเหตุ นำดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยให้ไปนอนทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันของแม่เนั่นนะไม่เจ้ว่าวันสองวันเดือนสองเดือนเกือบปีไม่ใช่เนี่ย น, นะจะเอาอยัางไงอีกพวกเราหนีพ้นมาขนาดนี้ยังไม่ภูมิใจดงเลยอฮ้ยยิกลับเข้าปี แลงน้เราฉันถ้าทำยังให้มีความยินดีพอใจว่าพวกเราหนีพ้นจากแนวชิดของกิเลส ข, ของตัญหาที่จะพาดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันของแม่พวกเรารู้ตัวหรือเปล่าพวกเราพ้นมาแล้วกลัวจะพ้นจากต่องแคบนั่นแนะ่ะเหมือนกับ ตกเหวร้อยชั่วมันตกใจมันทุกกลัวจะออกมาได้ท่านเปียบเพียบเนะเหมือนช้างตัวใหญ่ๆนนะดันออกช่องเห็นช่องแคบๆเวลาคลอดออกมาเนะ่ะเวลาหลุดแล้วพ้นจากตัวนั้นนะ่ะเหมือนกับตกเหว้อยชั่ว ร้อยช่วงชีวิตของร้อยช่วงของคนเพียงแค่รดจะคันเท่านั้นนะหลุดถองยากง่ายขนาดไหนแล้วเปียบมเหมือนช้างตัวใหญ่ๆนั่นนะ่ะดันออกท่องหินช่องแคบแค่ นีน่หนำสามเรายังไม่พ้นมันตายก่อนแล้วอย่างนี้ก็ถมเถอะพวกเราพ้นจากช่องเห็นช่องแจบแแบมาได้อันนี้ะบุญและหน้าสวดสังเวชมากไปกว่านั้นอกีกดวงกิจดวงวิญญาณที่มาใส่การเกิดผุสารเข้าในท้องของผู้หญิงอยากจะเกิดเป็นลูกของเขา ก็ดูสิน่ะเขาไปละลายทำลายทิ้งกันนับไม่ท่วนประมวลไม่จบเข้าไปอีกน่าสงสารขนาดไหนดวงจิต ด, ดวงวิ ญ, ญญาณที่ไม่มีบุญคุ้มคองพวกเราอายใุใหม่สมัยใหม่ก็ว่าทำแท้งทำเครื่องอะไร น, ะนะั่นกะอาศัยจะมาใสเกิดจากผู้หญิง ดวงกิตดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญพอที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติเหมือนอย่างพวกเราๆาท่านๆมีอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงอำนาจของตำหานน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ว่ามันมีทุกมีโทษ ลักษณะอย่างที่ว่ามานกามะตัณหาอารมณ์เพศที่มันมีในใจของพวกเราเนี่ยเกิดมันเกิดขึ้นจากความสำนึกอันนี้การเกิดการเกิดของดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเมื่อการเกิดจาก เกิดจากใจด้วยอำนาจแรงเล็ดของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงให้มีศีย ญ, ญาณสังบอนระวงังพวกเรารู้ตัวมากน้อยขนาดไหนระวังมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ระวังอํานาจของกิเลสตัณหาราคะอารมณเพศให้มันเกิดกับใจนี่นะจานั้นก็ว่าญาณสังบอนญาณสังวอญาณญาณยานความรู้หมายถึงความรู้ของใจนี่แหละ รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์กามัตตัญหาอารมณ์เพศยินดีในลูกยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นในรสนั่นน่ะนี่เหตุให้เกิดทุกข์มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก่อนสังขารความคิดความเนึกความปรุงในจิตนีกก่เป็นสังขารส่วนเหตุต้นเหตุของ การเกิดมันเกิดจากตรงนี้ก่อนเี่ยว่าสังขารต้นเหตุสังขารผลก็อย่างที่ว่านั่นแหละถ้าไม่มีการระงับระมัดระวังตรงนี้เหละเปดันเขา้ายินดีพอใจในอำนาจของกามราคะอารมณ์เพรป็นดันเข้าในท้องของเขาแล้วก็เป็นสังขารส่วนผลเลยเี็นเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นร่างชาติชาติชาติความเกิดเป็นทุกข์ จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านนะพ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> ให้พวกเรารู้ตัวในเหตุกำหนดทุกทุกกำหนดรู้ย่อต่อมาชาติชาติปิฏกขเชลาตาปิฏกขาทเีเกิดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้ว เป็นคนชราคนแก่อันนี้ยังไม่แล้วอีกยังพยาติปิดตุขาเป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทนทุกข์ทรมานขนาดไห น, นละล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเป็นสิ่งที่น่าขยะขยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นไม่ใช่หรือ ถึงที่สุดก็จนตายพวกจนตายอยอะวะไงอันนี้จะว่าให้มีการตั้งสติตั้งใจตั้งใจตั้งสติถ้าใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งฟังไม่รู้เรื่องฉะนั้นการมาตั้งใจตั้งสติตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้ง มันจะได้เป็นกำลังของใจคือธาตรู้ใจที่เป็นทาตรู้ตั้งสติได้ดีมันเพิ่มความรู้ของจิตใจคือเครื่องระลึกรู้สติคือเครื่องระลึกรู้และลึกรู้ตามหลักคำสอนของพระพุทธของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามานี่เดี๋ยวความทุกข์ ชาติปีตุขายชาติความเกิดเป็นพุกก็อย่างที่ว่านะเมื่อตั้งทัศนพิจิติพิจนาปาโทไม่ว่าแต่ผู้หญิงคนเดียวไม่ว่าแต่ผู้ชายคนเดียวเลยเอามาให้ทั้งโลกจะมาทำไมอะแค่นั้ น, นจึงที่ท่านพิจนารู้แล้วนะ จะเอามาให้ทั้งโลกทั้งก็ไม่เอาเอามาทำไมอ่ะมันจะอดได้เลยที่พระพุทธเจ้าสอน่าพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยมันย่อมเกิดไปชาความเบื่อหน่ายมันจะทนไหวเลยมันก็เรื่องความเบื่อความหน่าย ใายจะความกำนัดความยินดีมันเป็นกฎธรรมชาติขอตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีเป็นสมาธิดนการพิจนารณามันชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชเชื่อเถอะเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ความเป็นศิลปเป็นธรรมแบบธรรมชาติตามทําเงื่อมผาป่าเขาลุกกมูลลมไม้คือความสงบความวบเวกให้จิ้ว่าให้พอใจยินดีฉันทะนำฉันชะฉั น, ฉนทธรรมให้มีความพอใจยินดีการฝึกตั้งใจตั้งสติเพื่อให้ ใจตั้งสติตั้งเพื่อให้เป็นสมาธิแล้วสติปัญญานะั่ยนะจะพิจารณาไข้ควรแล้วแต่เราจะพิจารณาไข้ควรในลักษณะไหนรอบด้านรอบทุกทิศทุกถามเป็นสิ่งที่ยังเกิดสติปัญญาอันชอบได้ทั้งนั้น รูปร่างกายของเรารูปร่างกายของคนอื่นมองในแย่ไหนอ่ะจะมองในแย่ทุกมีตรงไหนว่างจากความทุกข์ขนาดปลายเข็มเอาถ้ามองความเป็นทุกข์ปลายเข็มแหลมๆนั่นเราไปแย่แยงเข้าไปตรงไหนร่างกายไม่เจ็บไป่ปวดเ้าหรือจะมองในแย่ประเจ้าโสโคกตรงไหนมันสะอาดเ้า เหลือจะมองในแง่ความไม่เที่ยงความที่มันไม่เป็นสาระตรงไหนสังขารร่างกายของเราของเขาเนี่ยมันเป็นสาระน่ารักน่าห่วงน่าห่วงน่าอะไรดังนั้นการพิจารณามองให้เกิดความเป็นธรรมรู้ตามความเป็นจริงของ จะพาว่าท่าจะพาวะธรรมจะพาวะขันเนมันไม่มีตรงไหนที่จะปกปิดเอาไว้ได้พระพุทธเจ้าตาตระโรรู้แล้วอาโลโกสว่างโลกโลกทั้งหลายโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกโลกก็คือมูสัตว์เนี่ยพิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยใครเอ็น ตรงไหนปิดที่ปิดบังไว้แล้วรู้แจ้งโลกโลกคือมูสัตว์รู้ในเรื่องตัวเองลักษณะนี้คนอื่นมันจะต่างกันตรงไหนส่นะเนี่ยท่ามกลางของความเงียบตามป่าตามเขาลุกกระมูลลมน้อยมันเป็นธรรมธรรมชาติ เป็นสถานที่เหมาะสําหรับการฝึกตั้งใจตั้งสติฝึกสมาธิฉะนพวกเราทุกท่านทุกองทุกคนโอกาสที่พวกเรามีอยู่นี่นะให้เกิดความยินดีพอใจฉันทะทำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นํามาใช้เถอะสติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นํามาเพิ่มติของเรา ตั้งสติให้มันมีกำลังขึ้นมาเถอะสมาธิธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อะนำมาฝึกตั้งใจตั้งสติให้ใจของเราเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเถิดปัญญาธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ทิจารณาคำว่าธรรมธรรมสภาวะธรรมความเป็นอยู่ไม่ได้มีตรงไหนบกพร่องเลย ก็อย่างที่ว่าให้ฟังทั้งเหตุทั้งผลมันสมบูรณ์แบบอยู่นั่นนะมันเสื่อมไปที่ไหนล่ะความทุกข์กว่าดีมันเสื่อมไปที่ไหนความเจ้ากระโปรงสวมครอกว่าดีมันเสื่อมไปที่ไหนอันนี้จังทุกขขังอันใดตามันเสื่อมไปที่ไหนที่ว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อม ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรกระสอนเรื่องกายเรื่องใจมันเสื่อมไปที่ไหนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะถ้าเราเข้าใจความหมายปลาที่ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบอธิการยานังมัดเขกการยานังปรโยสานะการยานังสมบูรณ์ทั้งลักษณะของความเป็นสิ่สมาธิติปัญญาสมบูรณ์แบบ จะเอาอยัางไงอพวกเราเมื่อไหร่จะตื่นตัวเมื่อไหร่จะรู้ตัวทีนีอยู่กับโมหะความหลงอยู่ใต้หน้าของกิเลสตัญหาเป็นบังคับไม่เป็นทุกข์เ่นั้นทำไมไปยินดีมากจนถึงจะเอาชีวิตในความเป็นอยู่นักบวชเอาชีวิตประเภทนี้ไปไปตลอดจะเอาอยัางไง แม้แต่กัลวาต์ญาตโยมเหมือนกันเอาชีวิตอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติอย่างรักษาชีวิตเป็นลักษณะความดีนี่รักษาไปไม่ได้ไอ้ที่จะเป็นเปรเป็นผีตกโลกเวจีด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาเนี่ยทําไมไมัชอบกันนักแฮะเอาไปมาแล้วสัตว์ได้ได้ฉาดยังสู้ไม่ได้สัตว์ได้ได้ฉานเรื่องอํานาจของบ้ากิเลสตัณหาเนี่ยมีการมีดาอยู่นะ แต่มนุษย์เรามีการ ม, มีเวลาที่ไหนทีนี้นี่พูดถึงสิ่งที่เลวไล่น่าจะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแต่กลับไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมโดยท่ามกลางของโลกท่ามกลางของสังคมโลกนะันหน้าตรวจสังเวชขนาดไหนอวิชชาความไม่รู้ โมหะกวบหลวงปิดหูปิดตาวิ่งตามกระแสะของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์เพีทุกวันเนี่ยมีพานตั้งใจฟังตั้งใจฝึกคำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์สถานที่อย่างที่พวกเราอยู่นี่น่ะเป็นสถานที่เหมาะที่สุดสำหรับที่ะฝึกสมาธิจิตสมา ธ, มา ธ, มาธิคือความสงบ สถานที่ที่พวกเราอยู่เป็นสภาวะสภาพเป็นสิ่งที่เป็นศิลปเป็นธรรมธรรมชาติหาอันอื่นมาจะมาเป็นเครื่องรบพวน <c oughs> มันไม่มีในสถานที่อย่างนี้จึงว่าเป็นสถานที่เป็นศิลปเป็นธรรมธรรมชาติเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติจึงว่าเป็นสถานที่มีเวสปายะ เป็นสถานที่เหมาะแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนพวกเราๆทันๆฉะนั้นให้พานเข้าใจอาทิ น, นี้ต่อไปจะได้หยุดอธิบาย <c oughs> ในแนวทางปฏิบัติทุกท่านทุกองค์ทุกคนให้ตั้งใจตั้งสติพินิตพิจนาเข้าสู่ความสงบคือใจของพวกเรารู้จิตของพวกเรานั่นนะ่ะจะเอาอุบายใดเพื่อเป็นการฝึกให้ ใจของเราเป็นสมาธิต่อไปจะกำหนดพุทโธลึ ก, ก่ากำหนดลมหายใจก็ออกผังตั้งใจฝึกตั้งใจทำกันต่อไปนี่เนี่ย <c oughs> ดูความเป็นธรรมที่เราฝึก <c oughs> เราฟังธรรมให้รู้จัก ทมที่เรานำมาฝึกวังธรรมกำลังฟังธรรมะค <c oughs> ำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการฝึกฝึกจิตให้มีความสงบฝึกจิตให้เป็นสมาธิสมาธิธรรม ทาที่พวกเรา <c oughs> ฟังเพื่อให้นํามาฝึกตัวอย่างสติธรรมใจของเรามีสติระลึกรู้ระลึกรู้รู้ใจนั่นแหละหรือระลึกรู้รู้จิต <c oughs> จิตก็คือความนึกความคิด ถ้าเจตของเราเนื้อชิด <c oughs> อยู่ในลักษณะความเป็นสิลนเป็นธรรมก็ <c oughs> ได้เชื่อว่าใจของเรานั้ น, ะนะมีสติธรรมระวังในสิ่งที่มันเป็นโทษที่เกิดจาก <c oughs> อารมณ์ของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลาย ถ้าเผื่อพวกเราฟังไม่เข้าใจความหมายก็คือฟังธรรมไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นศิลเป็นธรรมที่จะนำมาฝึกก็ได้ชี่ว่าโมหะความหลงยังครอบงำอยู่มันไม่ใช่เรื่อง ฟังเพื่อตั้งสติตั้งใจตั้งสติลักษณะของสติกบละลึกรู้รู้ตัวรู้ใจหรือรู้จิตคําว่าจิตกับใจคำนี้ <c oughs> มันพูดแทนกันได้เป็นบางสักบางลักษณะท่านจึงว่ามันเป็นไวพร โทษแทนกันได้โทษถึงจิตก็คือพูดถึงใจนั่นแหละพูดถึงใจก็พูดถึงจิตนั่นแหละมันใช้แทนกันได้ฉะนั้นลักษณะของจิตก็คือความนึกความคิดนั่นแหละตัง้งสติขึ้นมา <c oughs> ก็ดูความนึกความคิด ว่อย่าให้มันเนื้อคิดไปตามกระแสะของกิเลสตามกระแสะของตัณหาถ้ารู้ตัวมันคิดไปตามกระแสะของกิเลสฉะนั้นเพิดแล้าญาณสังวรระวังจาฆ่าสละสลัดทันที <c oughs> อันนี้คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมก็คือสติธรรมนั่นแหละปฏิบัติให้มีสติระลึกรู้ตัวเพื่อให้เกิดสมาธิธรรมละวังอารมณ์สัญญาที่เป็นเรื่องกิเลสอันหายามนันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสงบก็เพื่อทําสมาธิธรรมนั่นแหละปฏิบัติให้จิตมีความสงบหรือว่าให้ใจมีความสงบ อันเดียวกันปฏิบัติธรรมคือฝึกฝ <c oughs> ึกในสิ่งที่เป็นธรรมไม่เกิดขึ้นมีขึ้นฝึกในสิ่งที่เป็นศีลให้เกิดขึ้นมีขึ้นเดี๋ยวนี้มันถ้าไม่ได้ฝึกความเป็นศีลเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือเรื่องกิเลสเรื่องตัณหานี่นมันแสดงออก แสดงออกมากียรตของเราวิ่งตามกระแสของกิเลสของตัณหานั้นมันมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมันมีสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษที่ทำมาเรียนรู้ไอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหา <c oughs> มันมาประสานกับกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนะตัณหากามะตัณหา เราระวังอยู่ทุกขนันดาสิ่งเหล่านี้อย่าเป็นผู้มีสติอยู่ทุกขนันดะเมื่อมีสติระวังตัวสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจกับกิเลตันหานั่นน่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้ชื่อว่ากิเลตันหามันสงบหรือว่าเจิตมันสงบก็แล้วแต่จะว่าเมื่อมันสงบ โอกาสการเวลาที่พวกเราความเพียรนั่นนะทํความเพียร น, นะเพียรก็คือ <c oughs> เพียรแะวังอารมณ์ของบาปจะให้มันเกิดคืออารมณ์ของกิเลส น, นั่นแหละไอ้นี้มันเกิดขึ้นแล้วเพียรดับระงับทันทีในขณะเดียวกัน <c oughs> เพียรในสิ่งที่เป็นเป็นบน หมันเกิดเมื่อเกิดึ้นแล้วเกิดรักษาถ้าว่าตามหลักของธรรมที่ท่านว่ า, าไว้นะ่ะบุญเมื่อระงับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหานะั่นนะมันก็เป็นบุญเคยจิตละมีความสงบมันก็มีความสุขมีความสบายตามฐานะตามกำลังของสมาธิจิต อันนี้ยังไม่พอเพิ่มปริมาณตรงนี้มากขึ้นด้วยกำลังของปัญญาให้พิจารณาอย่างที่ว่าผ่านมานะเป็นเรื่องปัญญาพิจารณาในเหตุในผลอันนี้คือหน้าที่อันนี้คืองานของผู้ปฏิบัติข้ามกลางของความดีเวกข้ามกลางของความสงบเหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ในขณะนี้ ผ่านเข้าใจการฟังการฝึกพวกเรา